มีบทในโลกทิพย์หรือไม่ข้าพเจ้าเชื่อว่าคงจะมีหลายท่านที่นึกอยากจะถามอยู่ในใจเสมอว่าในโลกทิพย์นั้นจะมีบทเหมือนกับในโลกมนุษย์อยู่บ้างไหมเพราะในทัศนคของโลกมนุษย์เรื่องของชาติหน้าเป็นเรื่องที่แยกกันจากศาสนาไม่ออกเลยทีเดียวและเมื่อมีชาติหน้าแล้วก็เป็นอันต้องมีสวรรค์ไว้สาหรับเป็นที่อยู่ของคนดี และนรกสำหรับคนชั่วช้าด้วยดังนั้นบทจึงเป็นสั ญ, ญาลักษณ์ประการหนึ่งของศาสนาและเป็นที่พึ่งหรือที่แสดงออกซึ่งความศรัทธาของผู้มีความเชื่อในศาสนาก็น่าจะต้องมีอยู่ด้วยกระมังต่อปัญหาเช่นนี้ข้าพเจ้าก็ขอตอบว่ามีเหมือนกันแล้วก็มีความสวยงามมากเสียอีกด้วยเช่นเดียวกับอาคารอื่นๆเหมือนกัน การก่อสร้างโบสถ์ของเราก็กระทำกันอย่างปราณีตเท่าที่จะกระทำได้ทั้งในด้านการฝีมือและวัตถุที่ใช้ก่อสร้างมีบุคคลอยู่ไม่น้อยที่รู้สึกแปลกใจไม่ได้เมื่อมาเห็นว่าที่นี่ก็มีโบสถ์อยู่เช่นเดียวกับในโลกมนุษย์ข้าพเจ้าเองก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนนั้นแต่บางคนก็ไม่รู้สึกประหลาดใจเท่าใดเพราะก็ถือเป็นหลักไว้ในใจมาก่อนแล้วว่า เมื่อเขาได้ทำความดีในทางศาสนาจนกระทั่งได้มาอยู่ในสุขติภูมิแล้วก็ควรจะต้องมีบทอยู่ในสุขติภูมินั้นอย่างแน่ๆนไม่ว่าจะเป็นภูมิชั้นไหนก็ตามดังนั้นการที่มีบทไว้นั้นก็เป็นของดีอยู่อย่างหนึ่งคือทำให้พวกเรารู้สึกคล้ายกับว่าไม่ได้เดินทางไปไกลาจากบ้านเดิมของเราเลยแม้ว่าเราจะได้เปลี่ยนภาวะมามีชีวิตในโลกใหม่ก็ตาม และโดยมากในม่ช้าเราก็เป็นสมาชิกประจำของโบสถ์ที่เราชอบแห่งใดแห่งหนึ่งเสมอในภูมินี้มีโบสถ์ของเกือบทุกนิกายที่ท่านเคยเห็นมีอยู่ในโลกมนุษย์ข้าพเจ้าได้เคยเข้าไปในโบสถ์เหล่านี้หลายต่อหลายแห่งด้วยกันปรากฏว่าทุกแห่งก็มีบรรยากาศที่สงบเยือกเย็ยนให้ความสุขใจได้เป็นอย่างดีบางแห่งที่มีกระจกสีประดับอยู่ด้วยนั้นก็ทาให้เกิดภาพที่น่าดูยิ่งขึ้นอีก ในเมื่อแสงสว่างสาดมากระทบกระจกสีต่างๆเหล่านั้นทําให้เกิดเป็นประกายรัศมีเหลือบคล้ายกับสายรุ้งขึ้นภายในและดูวสวยงามอย่างบอกไม่ถูกทีเดียวโบสถ์บางแห่งก็เป็นโบสถ์จำลองหรือถอดแบบมาจากโบสถ์ที่ยังปรากฏอยู่ในโลกมนุษย์ในปัจจุบันนี้บางแห่งก็ถอดแบบมาจากโบสถ์ซึ่งในปัจจุบันไม่มีอยู่เพราะได้ป ร, รักหักพังไปหมดแล้ว แต่ทว่าบทเหล่านั้นได้มาปรากฏขึ้นใหม่ณที่นี้พร้อมด้วยความสวยสดงดงามและความมีจิตปรการตาทุกๆประการที่เคยมีอยู่แต่เดิมสำหรับขนาดก็มีตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงขนาดใหญ่โตโมโหลานตามความประสงค์และศรัทธาของสาธุชนผู้ยิดม่นอยู่ในความเชื่อถือตามนิกายเดิมของตนของตน